พระธรรมเทศนาลำดับที่ส6หโดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีมีชื่อเรื่องว่าไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินวันนี้เป็นวันที่22สบพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันห้าห้าสสและก็พระของเราก็3สาสองรูป ถึงจะมีพระมากหรือน้อยพวกเราปฏิบัติธรรมอย่างเก่าเหมือนกับพวกเราถึงจะมีคนมากกดนน้อยก็ทานอาหารให้ติดอิ่มอย่างเก่าฮะถ้ามันมีนะถ้ามันมีเราก็พยายามทานอาหารให้อีกอย่างเก่าถึงจะมากหรือน้อยแล้วก็ไม่มีใครที่จะทานอาหารแทนเราได้อีกต่างหากถึงจะจคนมามากเขาจะทานอาหารแทนเรา ก็ไม่ได้ถึงจะคนมาน้อยเขาจะทานอาหารแทนเราก็ไม่ได้เราเป็นคนทานอาหารเองนี่ก็เหมือนกันถึงจะมีหมูมากเราก็ปฏิบัติธรรมเองลากิเลสเองพ้นทุกข์เองตกนรกเองถ้าทำความชั่วนะเพราะนั้นเราจะได้คิดว่าหมูมากหรือหมูน้อยเพราะพระเจ้ทาท่านว่า ถึงจะมีหมูน้อยไม่มีมีหมูไม่มีหมูเลยไม่มีใครเฉลยให้อยู่องคเดียวให้อยู่คนเดียวแย่แต่อย่าไปทำความชั่วนี่นะความชั่วสำคัญในหลักของพุทธศาสนาถึงจะมีหมูมากทำความชั่วก็ไม่ดีถึงจะมีหมูมมมมหมน้อยอยู่องเดียวแต่ก็ยังไปถลําทำความชั่วอีกยิ่งแย่อีกเพราะนั้นอย่าทาความชั่ว ถึงจะอยู่องค์เดียวถึงจะไม่มีใครอยู่ด้วยอยู่องค์เดียวแต่อย่าทำความชั่วเราไปอยู่ในสถานที่ใดเราจะไปทำสิ่งที่มันไม่ดีทำแต่สิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมแล้วกการทำความชั่วมีมากมากมีมากหลากหลายเห็นแก่ปากเห็นแก่ท้องเห็นแก่อยู่แก่กินทำความชั่วก็มี ฆ่าคนอื่นกินก็มีป้นที่คนอื่นกินก็มีโคดโกงคนอื่นก็มีฆ่าคนอื่นก็มีขโมยคนอื่นก็มีละหลาบละลวงสามีภรรยาคนอื่นก็มีโกหกคนอื่นก็มีดื่มสุราคาชติทําความชั่วมากไม่หลายหลายอย่างก็มีฮความชั่วไม่มากเพราะนั้นถึงเราจะอยู่น้อยหรืออยู่มาก อย่าทำความชั่วในหลักของพุทธศาสนาความชั่วคำนี้เนี่จะไปเห็นแก่ปากแก่ท้องจะไปเห็นแก่อยู่แก่กินนะเหตุตูปิเกระยะปาปังไม่ควรทำบาปเพราะเห็นแก่กินคนเราเห็นแก่กินทำบาปมีมากเหมือนกันนะในครั้งพุทธกาล พระพุทธองค์ได้สาธกขึ้นเป็นชาดกหน้าคิดเหมือนกันสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าเกิดสวยพระชาติเป็นพระญาสุทธโสมแต่สมัยนั้นนี่แหละเมืองที่เรียนวิชาอาชีพวิชาเนะี่ยวิชาสมัยนั้นโอเมืองตกนะกัศิลา เมืองตกาศิลาก็คือเมืองทาิบันทุกวันนี่เนะมืองทาลิบันทุกวันนี้นะนี่แหละเมืองตกากาศิลาเก่าที่ในหลักของพุทธศาสนาแถวอ่างอิงที่ใดก็เมืองตากาศิลาเป็นเมืองเรียนวิชาความรู้จากทิศปาโมกอาจารย์สมัยนั้นแปลว่าเมืองตากาศิลาเป็นเมืองเก่งทางวิชาความรู้ทุกอย่างแปลว่าอัจฉริยะ อาจารย์ทั้งหลายจะไปเกิดที่เมือง น, นั้นน่ะเวลาเวลาใครจะไปเรียนวิชาอาชีพการทำมาค้าขายการศึกสงครามดูดวงดูดาววิชาคณิตพิทย์คณิตอะไรจะไปเรียนในนั้นตลอดถึงวิชาแพทย์วิชาหม อ, อนายชีวกโกโมารพัต์หมอชีวกโกโมารพัต์ก็เนี่ยไปเรียนเมืองตะกศิลาเนี่ย ไปเรียนเรียนไเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบเรียนเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจบเอ๊อาจารย์ครับผมเรียนวิชากับอาจารย์เนี่ยยาตัว น, นั้นต้นไม้ต้นนั้นผสมอันนั้นเป็นยาอันนั้นออดินต้นนั้นผสมตัว น, นั้นเป็นยากักบต้นไม้ต้นนี้ผสมเป็นยาตัวนั้นมันกว้ า, างขวางไปเลยไม่รู้จะเป็นยาอะไรตัวยาอะไรผมก็เลย วิชาความรู้ผมเรียนมาหลายปีมันจบหรือเปล่าอาจารย์ติดสับปะโมกปะม่ะเออไปเข้าไปดูป่าไปเดินเข้าไปในป่าถ้าเดินเข้าไปในป่าต้นไม้ต้นไหนดูแล้วไม่ต้นเนี้ยไม่รู้จักว่ามันเป็นยาอะไรต้นไม้ต้นเนี้ยอไม่รู้ว่ามันเป็นยาอะไรยังไม่ได้เรียนยังไม่ได้ศึกษาว่าต้นไม้ต้นนี้เป็นยาอะไรให้กลับมาบอกเราอาจารย์บอกให้ หมอชีวโกโกมลพัฒหมอใหม่ชีวโกโกมลพัฒก็เดินเข้าไปในป่าหลายวันต้นนี้เป็นยานั้นต้นนั้นเป็นยานี่สมุนไพรนี้เป็นยานี่เถาวันนี้เป็นยานี้วัชพืชนี้เป็นยานั้นกลับออกมาบอกว่าอาจารย์ครับผมเข้าไปเดินเข้าไปในป่าดูทุกไม้ตุกตนไม่มีต้นไม้ต้นไม้ไหนหรือว่าพืชวัชพืชไหนที่ไม่เป็นยา เป็นญาบดรับไม่มีไม่มีมมอทิศสซาปโมก็บอกว่าอาจารย์ก็บอกอนั่นแหละจบละวิชานะท่านไม่มีใบประกาศอย่างทุกวันนี้ได้อทุกวันนี้ต้องอาจารย์ต้องทําใบประกาศให้แต่ทุกวันนั้นเอาความรู้วัดกันเลยเอนี่แหละหมอสมัยนะั้นเขาเรียนจบคันจบอย่างนี้ไม้ทุกต้นอยู่ในป่ า, เ, าเป็นยาทั้งหมด แต่ไม่รู้จะเป็นยาอะไรเป็นยาทั้งหมดอันนี้แปลว่าจบวิชาหมอของหมอชิวโกมารพัตนแต่ในวิชาอื่นๆก็ลักษณะอย่างนั้นเหมือนกันเออเอาความรู้วัดกันเลยทดลองเลยบปสอนวิชาให้แล้วตอนนี้นท่านโงสมัยนั้นก่อนเมืองต่างๆตั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองร้อยหนึ่งหัวเมืองหัวเมือง แต่เมืองใหญ่เมืองเล็กนะส่งกลุ่มมารทั้งหลายใครขาว่าส่งเจ้าฟ้าชายทั้งหลายไปเรียนหนังสือไปเรียนเมืองตะกัชิลาพอส่งไปเรียนที่นี่ก็อาจารย์ก็สอนสอนวิชาพิธีรบพิธีอะไรแต่สุโสมในเป็นเป็นนักเรียนใหญ่ทุกเรียนรุ่นพีแล้วก็มีปัญญามาก เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจอาจารย์อีกต่างหากท่านก็มีปัญญาคร่องแคล่วอีกท่านเออปญาทั้งเจ็ดรเอ็ดหัวเมืองเนี่ยนิสัยก็แปกแตกต่างกันนานาจิตตังนานาทัศนะถ้าว่าพวกเราเออไปเป็นเจ้าแผ่นดินถ้าทุกคนน่ที่เป็นจบออกไปเนี่ยในรุ่นเนี้ยออไปเป็นพระเจ้าแผ่นดิน พวกเราก็ควรจะผูกสัมพันธรร์ทําไมตีกันไว้แต่เป็นเจ้าฟ้าชายเนะ่ยควรจะผูกเป็นเสียวกันเอางั้นแหะเป็นมิตรกันเป็นเสี่ยวกันเป็นสหายกันอหมไม่ใช่ว่าออกไปแล้วก็พวกเราฆ่ากันเองพอเรียนวิชามาจากอาจารย์เดียวกันแหมแล้วก็จะฆ่ากันเองเอลบกันเองไม่น่าจะถูกต้องแต่เนี่นี่ยนะชุตโสมเป็นคนมีความคิดนะจะได้ก็ พอเรียนจบแล้วก็ออกไปกินเลี้ยงกันนอกเมืองเ น, จ, นเงจบไปเล้เถะนีจบไปเลยก็เอาพวกเราเดินทางเออเอาพวกเราจะเดินทางกับประเทศของใครของเราออกไปนอกเมืองซะก่อนนะไปรวมกันที่นั่นก่อนศาลานอกเมืองอนอกเมืองตกกักสิลาดตนนี้ตั้งร้อยเอ็ดหัวเมืองออกไปออกไปเลยก็จัดอาหารเลี้ยงกันเอพออาหารเลี้ยงกันเสร็จแล้วก็ ทำสัจจะสาบันต่อกันสัจจะต่อกัน้าศาสานาอิสลามเขาก็ว่าชุมเปาะนะม้ อ, อนน ส, สมัยนั้เขาว่าตั้งสัจจะจะไม่ทำร้ายทำลายกันใอ้เขาว่าเอากีเดเลือดลงในหม้อในกะลำบังแล้วกับคนคนเข้ากันแล้วกับแปลว่าดื่มเลือดกันแปลว่าเป็นมิตรเป็นสหายกันจะไม่ทำร้ายทำลายกัน ในเมื่อเราเป็นอได้เป็นผู้ใหญ่ต้องช่วยเหลือกันพวกเราอจากนั้นก็เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันพอแยกย้ายกันกันแต่สุติสมบเนี่ยมองดูแล้วอมองดูไอ้ระเจ้าพมทัศ์เนี่ยที่เป็นเพื่อนกันเนี่ยอก่อนนี้มันจะทําลายหมูเอมองเนี่ยแต่มันเป็นเมืองใหญ่ด้วยนะเมืองพาราณสีอีกต่างหากถ้าทุกวันนี้กันนู้น่ะ รัสเซียอเมริกาจีนอินเดียนั่งกันเอที่เป็นประเทศใหญ่ที่นี้ก็แยกย้าย ก, กันไปเมืองตะกัตจิลาเขาก็ได้ซ้ำเขาเขาก็ได้ได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินเมื่อไปถึงเมืองแล้วก็พ่อแม่ก็ยกให้สุดโสมเลยก่อนได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินอีกแปลว่าทุกคนที่ไปเลยได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินมดร้อยเอ็ดหัวเมืองอะ แต่ก็ยังเป็นพระเจ้าแผ่นดินหนุ่มอย่างต่างคนก็ต่างอยู่กันพอต่อมาเนี่ยแต่พระยาพระนรศรีเนี่ยพระเจ้าพมทัศ์คนนี้นี่ยแปลกแตกต่างกว่าหมู่ทุกสมัยนั้นเขาก็ประกาศให้ทุกวันพระแปดค่ำสิบห้าค่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามมาให้ฆ่าสัตว์ยกเว้นในวันพระเนี่ยห้ามฆ่าสัตว์เยทุกวันนี้เขาก็มีเหมือนกันนะ วันพระเนี่ยเขาไม่ให้ฆ่าสัตว์ในสมัยนั้นก็ห้ามไม่ให้ฆ่าสัตว์วันพระให้งดแต่นี้พยาพร ม, มาทัตุนี่ไปว่าขาดเนื้อสัตว์ไม่ได้แต่ละวันกินไม่ได้เพราะฉะนั้นครัวต้นพ่อครัวเนี่ยก็ต้องรู้จักละ่ะพภาลชากินอย่างอื็ดไม่ได้นอกจากเนื้อก็ต้องเตรียมเนื้อไว้เอยทั้งปิ่งทั้งย่างอะไร เตรียมไว้เพื่อวันพุ่งลุงขึ้นมันตู้สมัยนั้นคงไม่มีตู้เย็นไหมไม่มีน้ําแข็งอ่าคงจะเก็บมันไปเก็บยากก็คงจะทั้งต้มทั้งตุ๋นอะไรไว้สาหรับพระราชาไม่ให้ขาดแต่วันหนึ่งพผเอิญมานี่อพ่อครัวสะเพผายังไงก็ไม่รู้เอาเอาหารจสำหรับะราชาเก็บไว้หมามากินเออหมามากิน เนื้อพระราชาป่ะนี่ยหมากับหมาพระราชาเนี่ยงั้นแต่เองหมาอยู่ในเวียงบังเนยเขามากินกินจะตายแตนี่ยพ่อขัวกูตายลูกเดียวถ้าไม่ได้อาหารให้พระราชาเนี่ยกูต้องตัดคอแน่ๆคราวนี้ไงทีนีน้ครใครนี่ก็ออกจากนั่นกัน ก, น ก, นกูจะเอายังไงทเนี่ยเนี่ยพ่อขัวพ่อขัวต้นเน่ะพ่อขัว ทำอาหารคิดไปคิดมาไปคิดถึงป่าช้าแต่ใ น, นวันป่าช้าสมัยนั้นคนตายแล้วไปทิ้งป่าช้าเขาไม่ได้ฝังไม่ได้เผานะอเอาผ้าพันๆแล้วก็โยนเขาไปในป่าช้าผีดิบจุดแท้แต่หมูหมา ก, กาไก่อีแร้งอี ก, กาจะกินทีนี้เขาพันๆเสร็จแล้วเขาก็ไปโยนออกโยนทิ้งทิ ง, ทงพ่อครัวนั่นกัน เอาตัวรอดไปงั้นเถอะเนี่ไปหาเชื้อในะพ่อครัวแม่ครัวนะ่ยระวังให้ดีก็แล้วกันไปงั้นเถอะถ้าไม่มีอะไรเอาของปแปลกๆตอนนี้พ่อครัวก็เดินเข้าไปเข้าไปเห็นปลาช้ากัไปเห็นคนตายใหม่ๆไปงั้นนเนี่ยพอตายใหม่ก็เอามีดเอาเนื้อขาลำล้ำเล้วนั้นเอาเนื้อทีลำล้ำเนะี่ตรงไหนที่มันจะอร่อยเนี่ยตัดเอาเนื้อขาออกมาแล้วนหะ่ออย่างดี่เข้ามาในเวียงวัง มาก็ทําอาหารเหมือนกับอาหาร อ, อนี่แล้วอาหารหมูอาหารวัวควายนี่แหละเพราะนกันปิ่งทั้งปิ่งทั้งย่างเสร็จเรียบร้อย อ, อรู้แต่ตัวเองคนเดียวฮนะ <c oughs> พอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาอาหารออวันลุกขึ้นะครับเพราะอาหารมันไม่มีไนดะ้อย่างหมากินอย่างที่ว่านะ อ, อก็จกใส่ถาดใส่ถาดผ่านทองคําขึ้นไป ใส่ถ้วยใส่น่นะสำหรับกับข้าวอย่างนี้เหมือนเหมือนตะกอนเหมือน ม, นมีมีอะไรเกิดขึ้นว่างั้นอ่ะพอยกเข้าไปพรลลัชชาฟินิชัยกคดีความเสร็จแล้วแลตอนเที่ยงมาช่วยพระกยาหารนะัร่นพอเสงทิปปับใส่เข้าไปในปากปับ๊บพรลลัชชาเนี่เคยเป็นยักษ์มาก่อนเคยกินเคยกินคนมาก่อน พอขีปปั๊บก็ไปในปักเส้นประสาทลิ้นของพระเจ้าพมทั์มันวิ่งสา <c oughs> มันทั่วร่างกายหมดเลยคายทิ้งคายเนื้อทิ้งขายเนื้อทิ้งก <c oughs> กันพอคายเนื้อทิ้งเสร็จแล้วมองซ้ายมองขวาเอา้าให้พ่อครัวอยู่คนทางนอกหนีเอาหมด <c oughs> เออ พระราชาสั่งว่ากันเลยคนไม่เกี่ยวข้องหนีออกหมดให้พกัวอยู่ตายแลวว้วพกขวัวพกขว้าหน้าซีดอะไรตัเนี้ยเรื่องอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะพอพวกนั้นหนีออกไปหมดปิดประตูเรียบร้อยจูสองต่อสองอพอพ่อพระเจ้าแป่นดินสั่งเลยทันี้ฮะพกขวัวอันนี้เป็นเนื้ออะไรวะตัวเ น, นี้อทําไมเนื้อทุกวัน ข้าสวยเข้าไปแล้วมันไม่เป็นอย่างนี้วะอันนี้แหมมันเป็นยังไงวะมันอะไรวะเนื้ออะไรพูดตรงๆนะถ้าพูดไม่ตรงเดี๋ยวคอขาดนะโอ้อันนี้พ่อครัวเอาอย่างไงใช่ไหมก็เลยระเอาคายมอวานข้าพระ อ, องค์เสพอ้มักง่ายได้เอาเนื้อไว้วหมาในในเวียงในวางก็เลยเข้าไปกินหมด ข้าพระพุทธเจ้าไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้ไปเอาเนื้อมนุษย์ที่ป่าช้าเอามาทำอาหารวันนี้จะเสวยโทษยังไงยังไงก็ขอให้พระองค์โอ้โหสิให้ข้าพระองค์ด้วยเถินแค่ว่ายอมหมดทุกอย่างพวกนั้นพระราชาวไม่เป็นไรแต่นี้ต่อไปนะต้องเอาอย่างนี้นะมาให้เรากินนะต้องเอาอย่างนี้มาให้เราเสวยนะ ไม่ต้องเอาอย่างอื่นเอาอย่างนี้นะไฟแช่ข้า่าชนเลยไปไปเรียกโพนั้นเข้ามาเนี่างแปลว่าลูกกันสองคนน่ะพระราชาโคโ้กินวันนั้นอะเร็ตอร่อยมากเนะอะงั้นแต่แกมเล่าอีต่างหากกินเนื้อคนแหมฟราชากินเหล้าใช่ไอ้นี่ก็เอ๋พ่อครัวเนี่ยเขไปเอาทุกวันทุกวันเลยแต่ได้มาบ้างแหมวันไหนไม่ได้มาไม่ได้ไม่ได้ไไดพระเจ้าข้าววันนี้คนไม่ตายอ ไม่ได้เนื้ออถ้าคนไม่ตายกันเนี่ยคนทักโทษน่ะนักโทษประหารน่ะหาเรื่องใส่เอประหาร เ, เข้าไปนะบอกนายคุมเหมือนกันนายคุมกับประหารแหนือเต็มยพราะระราชาสั่งเลยให้โทษประหารเลยประหารเอาประหารเอาเอาไปมาคนโอ้โหโทษทําไมประหารบ่อยเหลือเกินคนไม่ทําความชั่วบัดเนย คนก็กลัวตายใช่ไหมลนะ่ะไม่เข้าคุกป่นะเนี่ยพ่อไม่เข้าคุกเลยนะี่ยคนไม่เข้าคุกนะไม่รู้จะประหารใครจนะเนี่ยพ่อครัวก็เข้าไปหาอีกบอกว่าไม่มีไม่มีโทษประหารกับผมเพราะคนไม่เข้าคุกเพราะคนกลัวตายแหมพระราชานะคนตามแถวถนนอะ่ะไม่มีพ่อมีแม่คนขอทงขอทานเน่ะกลางคืนอะ่ะอาไปจัดการเลย นะเป็นทีู่้กันครับผมตอนนี้พ่อครัวกันจัดการนะแต่เนี่ยไอ้พวกกระจอกงอกง่อยทั้งห้ายแหละนะจูดในถ <c oughs> น, นนจะูในถนนน่ะไม่รู้ว่าตายหายไปทีละคนสองคนคนสองคนเอาไปมาปดบะเนี่ยต่อมาอีกบอกว่าเนี่ยคนที่ นาจร์จัดคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เนะี่ยแถวๆนั้นเอามาเลยกินเอามากินประครัวไปต่อมาต่อมาเดีมันเดือดร้อนเลยเี๋ยบอกเออมันมีโปรตีสัตว์นะโปริสรีสัตว์มีคนกินคนนะ่ะในเมืองเราเนะี่ยมันใคระไปฟ้องพระราชาพระราชาก็ทำท่าหูไม่ได้ยินเพราะตัวเองเป็นทำความชั่วตัเองเนี่ยเจ้าของทำความชัวนะ่วเนมันไม่ใช่ยุคนั้นสมัยนี้เลยถ้าตัวเองทำความชัวนะ่วน่ยหูไม่ได้ยินเนะ่ย ถ้าว่าตำรวจทำความชั่วนัทาหานความชั่วนใครทำความชั่วนไปฟ้องเละเฉยหนุงานเถอะนี่นเหมือนกันนะปยาโปริศสสารรักษณะนอย่างกันไปฟ้องพระเจ้าเป็นดินว่าพระเจ้าเป็นดินคนกินคนนะเดี๋ยวนี้น่าจะจัดเวรจัดยามจัดทหารรักษาให้เข้มงวดกวดขันนายพระราชอาวอุธใช่เหรอไม่ใช่เขาโกหกกันเหรอที่แท้หนูรู้แก่ใจโพลแลงเลยพ่อครัวไปหาฆ่าคนมากินเหมือนกันนะพลในี่นนสุด พระราชาไม่เอาเรื่องเลยพวกตำรวจทหารก็จัดยานเวียนยามเองเลยนีรักษาอย่างเข้มงดวดขวดขันเป็นเตรียมเป็นซอยเป็นซอยเป็นซอยเป็นจุดเป็นจุดไปแต่นี้พ่อครัวมันไ ม, ม, ม่มีอาหาร ใ, ใครมากางค่ำกลางาคืนเพ่นพ่านมาก็แปลว่าโดดไปมีดตัดคอแล้วก็ตัดแข้งตัดขาได้แต่าขาก็ระไรในแต่ข้างใดข้างหนึ่งไปวิ่งเลยนล้วงั้นเถอะอเพื่อให้หนี ห, หนีให้เร็ว เออเพื่อจะได้เนื้อมนุษย์น่ยต่อมากันเนี่ะพอตำรวจทาหารก็หยุดเป็นซอยเป็นจุดเป็นจุดเป็นจุดเตรียมพร้อมแล้วนะพ่อครัวก็ไม่รู้ใช่ไหมแต่ว่าความอยากอยากได้เนื้อมนุษย์ตนเองเพื่อพระราชาชาเองมากันโดดฆ่าคนฆ่าคนกัดตัดขาตัดขากัด โ, โผลก็บโบยวายขึ้นมาบอโบริษทัทตัดขาแล้วเอคู่คนทาหารกันลุ่มออกมาสกัดจับได้ที้ พอจับได้เป็นพ่พอคัวต้นของพระเจ้าแผ่นดินเธอเนี่ยักไซไลเลียงดูแลตายพระเจ้าแผ่นดินจินคนทธอนเอนี่ยนี่แหละจากนั้นก็จับพอ่อครัวได้เป็นสกีปยายนยืนยันพ่ครวคไม่รู้จะทำยังไงเอา้ปาประกาศออกมาเธอเนี่ชาวบ้านก็รวมกันเป็นขบวนเหมือนกับก่กอมอบอย่างนั้นแ่ะเออก่อมอบทวเมืองใครจะไม่ไม่ให้ความร่วมมือใช่ไหมนะ เออพระราชาเก่งขนาดก็ให้กเก่งนะเอาคนทั้งเมืองกดดันนะมากับเซนาอํมมาต ร, ราชเวกทั้งหลายกับยืนบอกพระราชาบอกพระราชาจะหยุดไหมถ้าจะหยุดนะันก็จะให้ครองราชต่อไปถ้าไม่หยุดมีทางเดียวให้หนีไม่ให้อยู่พระราชานี่ติดเนื้อมนุษย์เห็นมานะ่ะทาบาป ทำบาปพาอเห็นแก่กินอย่างที่หลวงพ่อยกบาลีขึ้นเบื้องตน้น เ, เห็นทำบาปพาอเห็นแก่กินผลที่สุดก็เลยเถ้าพวกท่านทั้งหลายจะให้ค่าหยุดค่าหยุดไม่ได้พเพราะคาดติดในรถอย่างถอนตัวไม่ขึ้นพวกนั้นก็ยกแม่น้ำท้งห้ามาไม่ยอมไม่ยอมข่าไม่หยุดไม่หยุดผลที่สุดพวกท่านจะให้ราคาออกไปค่าจะออก แต่ข้าหนึ่ขอพ่อครัวอพ่อครัวกับหม้อกับอะไรเนอะีอย่างนั้นเท่านั้นแหะข้าเสียสละทั้งหมดไม่เอาพูน่ะขนาดไหนติดติดในรถติดในชาติอไม่ได้คิดว่าเขาจะบาปจะกรรมอะไรเนะนีโผล่ในสูตก็ได้พ่อครัวกับหม้อกับเครื่องทับประสมพระนิดหน่อยออกจากเวียงวางอะไรสระละราชสมบัติเลยไปตั้งอยู่เลย ไปตั้งอยู่ทางทางไหนทางเปียวๆไปตั้งอยู่ใครใครเดินทางผ่านมา ก, กันเนะี่ยะจัดการให้พ่อครัวจัดการค่าก๋กินผนละนั่นสุดใครก็จะไปผ่านเลยเนะี่ยคนก็กลัวตายเลยนี่แหละนี่พญาโปธิศัสตร์ในคราวนั้นเ อ, อถ้าหลวงพ่อจะพูดให้จบวันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้ฉันอาหาราเหมือนกันเถอะเออเอาเพียงแค่นี้ก่อนวันนี้ แต่ผลที่สุดเนี่ยพญาสุตโสมที่เป็นเป็นอาจารย์เป็นเพื่อนเป็นรุ่นพี่ที่เป็นที่รักเคารพของพญาปริศาสต์เนี่ยได้มาปราบได้ได้มาขอร้องยอมรับนะแต่ก่อนที่จะยอมรับโอ้โหจะพญาร้อยเอ็ดหัวเมืองมาล้อยมือไว้ทั้งหมดเลยเกง่งพญาปริศาสตเนี่ยความคล่องแคล่วว่องไววิชาอาชีพวิชาของเขาเก่งมากอานอกจากสุตโสมแล้วน่ะ ที่จะเหนือกว่าเขานอกนั้นครับเขาไม่เป็นรองใครพระยากรุงพาราณสีพระเจ้าพมรทัตของราชสมบัติกรุงพาราณสีบริษัทชื่อว่าตัวบริษัทนะที่นีนพอกินคนนะนี่แหละผลที่สูดคนเนะี่ยจะกินพ่อครัวอีกเนีหาอาหารไม่ได้กินพ่อครัวอีกเหมนกันเถอะโอ้พ่อครัวไปหาใครที่ไหนไม่ได้มาแล้วเอาพ่อครัวต้มน้ําก่อไฟ โอ้โพ่อครัวเนี่ยทั้งร้องไห้ด้วยทั้งกอ่อไฟด้วยอย่างเงี้ะเออผลลัพสุดเร็จแล้วยังเอเบิ้งเสร็จแล้วเดินไปเอามีดตัดคอพ่อครัวกินพ่อครัวอีกอย่างังี้ยเลยที่แรกก็ช่วยกันกินคนพ่อครัวกันกบนั่นะกินกันกินด้วยกันผลลัพธสุดหาใครไม่ได้ยัง้กินพ่อครัวตัวเองนี่แหละเความชั่วจะทําเจริดีกว่าเพราะความชั่วนี่ยเมื่อทําไปแล้วม เดือดร้อนตัวเองมก็ภายหลังแต่ตามไม่จริงพญาโพลิซาตใช่ไห ม, มคนคนเดียวยกลางคืนกันหนีไปแต่แม่เป็นพ่อครัว น, นี่ไปจุดลาบฟ้าเขียวก็ได้จะไปให้อยู่ทําไมอยู่ให้งงทําไมเออันนี้อยู่กับพ่อครัอยู่กับพระราชาเพผลที่สุดเลยพระราชากินเนื้อตัวเองอีกต่างหากนี่แหละสรุปแล้ว นิทานหรือชาดกในเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าพระพุทธเจ้าบำเพ็ญจริยะปีดกปีนะจริยะคือความประพฤติของพระองค์ยอมเสียสละทุกอย่างเพื่อมวลชนเพื่อมวลมนุษยชาติแล้วก็แนะนำสั่งสอนพญาปริศาตให้งดเว้นในการฆ่าแล้วก็ให้เป็นผู้มีศีลธรรมจริยธรรมแล้วก็กลับคืนไปของราชสมบัติ เป็นพระเจ้าพมทัตอีอย่างเก่าพอได้รับโอวาทจากพระเจ้าสุทโสมเพราะเป็นรุ่นพี่ที่ฟังเชื่อฟังโ อ, อื่นไม่พูดไม่ฟังนิทานหรือว่าชาดกในเรื่องนี้พระเจ้าพญาสุตโสมเป็นพระพุทธเจ้าเกิดมาพบนิชาเนี่ได้เป็นพระพุทธเจ้าส่วนโปริไปปริษาสพระเจ้าพมทัตเนี่ย เป็นองค์กุริมานเห็นไหมถึงจะดูร้ายขนาดไหนก็ฆ่ากันไม่ลงนะคนกลุ่มเดียวกันนะคนกลุ่มเดียวกันนี่ยฆ่ากันไม่ลงถึงยังไงยังไงก็ยังผลทธิสูตร ย, ยังจูบ ป, ปากกันได้เพราะงั้นเถอะยังรักกันได้ยังเมตตากันได้ฟังกันได้ถ้าเป็นเทวทัศน์เนี่ยม่แล้วเนีไม่หักคั่งใลก็ต้องหักคั่งหนึ่งเลยวพรางั้นเลยพระพุทธเจ้ากับเทวทัศน์เนี่ยไม่ยอมกันได้อแปลว่าไม่คั่งใดก็คั่งหนึ่งล่ะ ต้องพังพินาศก่อนยังค่อยยอมกันแต่ถ้าว่าเป็นกลุ่มเดียวกันน่ยบางทีกัสู้กับภาษาลิบุตรก็มีสู้กับพระอานนท์ก็มีพระพุทธเจ้าแต่พวกนี้ยอมกันเมตตากันรักกันเพราะคุณกลุ่มเดียวกันเนี่ยนั้นพวกเรานะอยู่ด้วยกันนะที่อยงมากม้อดมากมายขนาดไหนก็ตามแต่อยู่ด้วยกันจะแสดงว่าพวกเราเคยได้สั่งสมบุญบารมีมาด้วยกันแล้วจึงมาอยู่ร่วมกันมาอยู่ด้วยกัน เพราะนั้นมีอะไรเมตตากันขาดเหลือขาดตกช่วยเหลือกันจะทายัางไงพวกเราจะเดินไปสู่มรรคสู่ผลพน้พนทุกนวัฏฏะสงสารถึงแดนพระนิพพานให้ได้ถ้าใครไปไม่ได้เอาค้างไว้ก่อนองค์ที่ไหนไปได้ก็หลุดไปก่อนเมื่อหลุดไปแล้วก็อพยายามบอกแนะนำสั่งสอนหมู่พวกเพื่อนให้เดินตามเออเดินเดินอย่างนี้ถูกต้องแล้วนะขอให้เดินมาอย่างนี้ละ นก็เป็นแนวทางเป็นสหธรร ม, มิกแต่เป็นกอรยาณมิตรที่ดีการอยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันเป็นอริเป็นศัตรูเป็นคู่อาฆาตพยาบาทจองเวนกันไม่ดีนะเอารับพรท่านหลวงพ่อพูดให้จบวันนี้หลวงพ่อคงไม่ได้จัน์อาหารเรื่องชาดกเรื่องนี้ยาวมาก